อ่เคยความไปยทายแปกใจตัวเองเี่ทําไมไมาเห็นใจตัวเองอ่านหนังสือเลวงพเทียนแล้วก็ลองคลิกมือยกมือตามรูปแบบหลวงพเทียนดูอ่านอ่านไปด้วยแล้วก็ต้องว่างก็คลิกมือยกมือไปด้วยเข็นใจตัเองเห็นใจมันคิดมันนึกรู้สึกแปลกมากไม่เคยเห็นไม่เคยรู้สึก ก็เลยมาคุยกับแม่แม่ก็เลยโทรมาทำมาให้ลูกชายคุยด้วยมันเป็นอาการเป็นแบบไหนทําไมเขาก็แตกใจผมยังเป็นเด็กอยู่เลยทําไมผมเข้าใจเรื่องนี้เขาก็แปกใจทําไมเข้าใจเหมือนที่ผมก็เรียนท่านสอนเลยทั้งที่ผมก็ไม่เคยปฏิบัติทำวิธีไหนแค่อ่านแล้วก็ลองทําก็เห็นใจตัวเองเหมือนกันก็เห็นในโลกที่จริงธรรมะมันเป็นเรียกว่า เป็นต ก, กาไิโกเนาะไม่จำกัดการถ้าใครถ้าใครไดฟังใครได้ปฏิบัตินะก็เกิดผลได้เหมือนกันนะไม่จาเป็นจะต้องอ่านมากมากนะฟัมามากมากหรือว่าทำมามามากหลายวิธีบางทีไม่ต้องเลยบางทีแค่ทำให้ถูกวิธีเดียวก็เกิดผลได้เหมือนกันหรือบางคนอาจจะทำมาหลายวิธี ยังไม่เกิดผลมาลองทําวิธีนี้ก็เกิดผลก็มีหรือบาคนทาวิธีนี้ไม่ถูกเจนิตไปทาวิธีอื่นแล้วเกิดผลก็มีเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ละบุคคลอันนี้ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่เราได้ยินหลวงพ่อเทียนแลท่านก็ท่าน ก, ก็ชอบทาทายทุกคนทาทายให้ลองทําดูอย่าเพิ่งเชื่อแต่หลวงพ่อท่านทาไว้บางคนก็ได้คําำทาจากหลวงพ่อเทียนก็มีกำลังใจ อย่งหลวงพ่อคำเขียนก็เหมือนกันหลวงพ่อคำเขียนตอนปฏิบัติใหม่ๆก็ท้องเหมือนกันประมาณปฏิบัติได้สิบสองวันแล้วมั้งรู้สึกตัวเองไม่ได้อะไรเลยไม่รู้อะไรเห็นสารมันนิดน้อยพอปฏิบัติก็รู้เรื่องธรรมะคนนั้นคนนี้ก็ปฏิบัติก็รู้ธรรมะแต่หลวงพ่อคำเขียนตอนนั้นยังเป็นโยมอยู่ทำมาสิบสองวันแนละ้วไม่เห็นรู้อะไรเลยก็ไปถามหลว่อเขียนว่าเออหลวงพ่อครับที่หลวงพ่อสอนเนะี่ยมันรู้ทุกคนหรือเปล่า หลวงพ่ อ, อเตียนก็รับรองว่ารู้ทุกคนรู้ทุกคนแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนบอกว่าคงเป็นผมเนี่ยมั้งคนแน่ที่จะไม่รู้เรื่องเพราะหนข้าจะรู้แต่ผมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยมันทำมาติดต่อ ว, วันนั้นไม่รู้เรื่องเลยหลวงพ่ อ, อเกียนก็ท้าหลวงพ่อเทียนยว่า <c oughs> คุณทำงานนั้นได้เงินเดือนเงินเท่าไรหลวงพ่อสมอเทียนก็ไปท้ายแต่เนั้นก็รับเหมาขอสร้าง ก็ไม่ใช่เป็นรักหนองใหญ่ๆเนี่ยแหละเปล้ายๆก็ทำบ้านทําเดือนทำอะไรนรันหละพ่อก็มีทีมเงิๆๆๆๆนเขาได้ประมาณเดือนละสามพันบาทแล้วพ่อเทียนกระทาแล้วว่าลองทําดูสินะสักสามเดือนออทําจริงๆนะถ้าไม่ได้เงินนะเออทําไม่ได้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเหลงเงินเดือนกับหลวงพ่อเทียนเดือนละสามพันบาทสามเดือนก็เก้าพันบา ท, 3, บาทแต่พอ หวงพ่อคำเขียนก็เกิดความมั้นใจโอ้ยไม่มีครูบาอาจารย์ไหนก้าให้ขนาด น, นี้นะพ้าขนาด น, นี้หลวงพ่อคำเขียนก็เลยเกิดกำลังใจขับไปคําตอบพนะอไม่กี่วันก็เริ่มเข้าใจเนะข้าใจรูปเข้าใจน้กลนะับไปที่บ้านบอกพ่อือบอกแม่บอกญาติพี่น้องกลับมาบวช ด, ดีกว่าก็คือเนี่ยขั้นกายเป็นสัดหลวงพ่อคำเขียนะที่หลายคนก็รู้จักเนะีนะ่ยก็ ก็เกิดจากหลวงพ่อเทียนเกิดจากหลวงพ่อเทียนที่ท่านพ่เข้าใจธรรมะแล้วก็มาบอกต่อหลวงพ่อคุณเทียนก็เคารพหลวงพ่อเทียนมากก็เป็นครูบาอาจารย์ของท่านเราหลายคนก็เคารพเคียกันนะก็เป็นบาอาจารย์แนวทาง น, นี้ก็จะยินเล็้ฟังจากต้นฉบับแ ท, แทนะ้เมื่อหลายสิบปีก่อนต่อมาพวกเรื่อาอาจจะมาอาจจะเป็นเรื่องคัฟี่ที่รักภาษา กอาจจะพูดคนละแบบเนาะแต่ก็ให้ได้ได้ยินในปากของเรานะก็จะไปเกลี้ยงเกลียนเราเนาะก็ดูว่นะาภาษาก็เป็นสมมุติที่ออหมาใช้แต่ยูคแต่าใหม่ก็ จ, จะเป็นสมมุติที่แต่ละคนถนัดแตกต่างกันไปเนาะคนเคยเรียนหนังสือมาคนไม่เคยเรียนหนังสือคนบ้านนอกคนในเมืองสันติภาษามันใช้ไม่ค่อยเหมือนกันหรอกมันเป็นสมมุติที่แตกต่างกันแต่สภาว่าอาการถ้าเราลองปฏิบัติเนาะ ก็จะเจอสิ่งเดียวกันนั่นแหละนะแต่มางทีพูดสามคนดีไปแต่อาการเป็นสิ่งเดียวกันนะรก็แท่ของเราไี้ลองพิสูจน์คำสอนของหลวงพ่ อ, อเทียนที่จริงก็เป็นคือคําสอนของพระพุทธเจ้านนแหละครับพอลองพิสูจน์ดูอย่าพึ่งเชื่อนะอย่าพึ่งด่วนเชื่อนะหรืออย่าพึ่งด่วนปฏิเสธมันความสึตงก็คือบางทีบางคนเชื่อทันทีเชื่อศรัทธาเชื่อแบบไม่คิดใส่ตอง เชื่อสนิทใจไปเลยแล้วก็เป็นความสุขโตนั่นเองหรือคนปฏิเสธทันทีคิดว่าคงหมดยุคหมดสมัยคงทําไม่ได้หรอกครูบาอาจารย์ทำได้แต่เราคงทําไม่ได้หรอกปฏิเสธว่าเราทําไม่ได้หรอก น, น, นี่ก็เป็นความสุขโตแต่ความเป็นการก็คือว่าฟังไว้ก่อนฟังไว้อย่าเเชื่อทั้งหมดแต่ให้ลองมาไปทําดูลองเปิดใจกวา้างกว้างลองทําตามดู แล้วก็ลองดูว่าผลมันเกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยถ้าผลเกิดขึ้นคือพุกมันน้อยลงอมันหรือว่าดับทุกได้จรินเข้าไปเชื่อแต่ถ้าทําไปแล้วทุกมันมากขึ้นมันไม่ดับทุกมันกลับเพิ่มทุกขึ้นมาเอแสดงว่าบางทีคําสอนอาจจะผิดหนึ่งหรือบทีเราจะทําผิดเองหนึ่งก็ได้นะบางทีเราเก็ไปโทดเอ๊ะคือว่าไปทําวิจีนั้นวิจีนี้ทําไมไม่เห็นดับทุกบางทีส่วนหนึ่งบางที คำสอนดูรูปแบบอาจจะผิดจริงๆก็มนนีหรืออย่างที่สองเราก็ฟังไม่ได้จับจับได้กระเดียดทาผิดๆ ท, ทําไม่ถูกตามที่พรูบาจารย์สอนก็มีอันนี้ต้องแยกการนี้เลยเนาะก็ได้ฟังไปแล้วก็ลองทําลยแต่มาเชื่อว่าไม่มีใครไปดูนัดอาจจะสมัยก่อนอาจจะมีแต่คิดว่าสมัยนี้ยากไม่มีใครแบบฟังทุกคําถูกปั๊บทันทีเนี่ยเป็นเรื่องที่ก็เรียกว่า คงมีบารมีสะสมมาเยอะเ่วนใหญ่ก็ลองถูกลองผิดจนเขาได้แหละนะต้องทำผิดกันมาจนเสื่ชำนาญในการผิดอะ่ะ <c oughs> รู้ว่าการผิดมันเป็นแบบไหนไนงะรู้ผิดเป็นแบบไหนชำนานมากยี่งเริ่มผิดเริ่มหลงเน็นสะ่วนมันจะค่อยมาถูกมารู้อีกทีหนึ่งเหมือนเราทำงานอนะไรเนาะจะทำสำเร็จในทีเดียวเป๊ะเลยมันก็เป็นไปได้ยากนะ มันก็ต้องค่อยๆลองถูกลองคิดเรื่อยๆท mm. ่างทำงานเรื่อยๆในท่งมันเก่งการปฏิบัติธรรมก็คงคล้ายๆกันกับอาชีพการงานของเราก็ต้อลองถูกลองคิดนะแต่ก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยเขราะที่จริงความคิดก็ไม่ใช่เพื่อคิดนะความคิดก็เพื่อรู้ว่ามีคิดเป็นแบบไหนนะความถูกก็ไม่ใช่เพื่อที่จะหลงมียึดว่าฉันถูกฉันมีฉันเก่งแล้ว ถูกก็รู้ว่าถูกเป็นแบบไหนแล้วก็วางความถูกไปผิดก็รู้ว่าผิดเป็นแบบไหนแล้วก็วางความผิดนั้นไปรู้ลงว่าตอนนี้ทําอะไรรู้ว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรรู้ว่ามันทุกข์ไหมรู้ว่าดับทุกข์ได้ยังไงเนี่ยก็คือความรู้ที่เราจะต้องศึกษาเป็นท่านธรรมเรียกว่ากลายเป็นความชานาญของผิดากล่าวภาพเข้าไปกันค่อน อาจะห้างสัมาซโธูสูงมา เพราะว่าอะไรบางทีมันอาจจะอาจจะพอถึงยุคสมัยนี้บางทีคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็เป็นทางเลือกที่อาจจะใช้ได้ง่ายขึ้นเล็กก็ได้บางทีเพราะว่าเรามีชีวิตที่ต้องเรียกวิเศษเล่งหรือว่าไม่สามารถอยู่นิ่งๆได้อย่างเช่นคนในเมืองบางทีทํากรรมฐานในการที่ต้องให้จิตสงบหรือว่าต้องทําสมาธิก่อนมันไปมันทาได้ยากพอมีรูปแบบที่ทํากรรมฐานแบบเคลื่อนไหว ม, มันสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันง่ายๆถ้าแค่เรารู้สึกตัวในการทําอะไรก็แล้วแต่เคลื่อนไหวเรารู้สึกมันง่ายมากทีแต่ก่อนคนที่ว่าการปฏิบัติการทการทํากรรมฐานคือต้องนั่งสมาธิเลยสิบข้าพตรงนี้ยนะพอหลวงพ่อเทียนมาสิบข้าพตรงนี้ออกเเนี่ยกรรมาฐานนะกันเคลื่อนไหวรู้สึกตัวได้น ะ, นะมันก็เลยมาว่ามันก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นเน่หะสเสน่ห์ของการปฏิบัติธรรมซึ่ง หลวงพ่อเทียนท่านก็เน้ยังตรมีไว้ถ้าเราจับหลักตัว น, นี้ได้เอ้าวถ้ามีการเคลื่อนไหวก็ไปประยุกต์ใช้ได้เลยเหมือนอย่างที่ว่าเนะี่ะนั่งรถเดินทางแต่งตัวกินข้าวอาบน้ำํำเราก็รู้สึกตัวหรือว่าทํางานนี้นก็รู้สึกตัวไปทำอะไรก็แล้วแต่อื <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าการฝึกใจต้องมาอยู่วัดหรือมาบวชเท่านั้นแต่เราแค่ทําอะไรแล้วรู้สึกตัวแล้วก็สามารถเรียกว่า ฝึกิตใจได้เหมือนกันนะฝึกในการดูใจดูใจแต่เองดูใแต่เองนั่นแหละที่การทำกรรมฐานก็เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเอาไปประยุกต์เอานะไม่ใช่ว่าเป็นวยึดกิจของสายงานอะไรหรอกเพราจริงก็เป็นสิ่งที่พระพิทธเจ้ า, ส, าสอนมาอยู่แล้วในพระสูตรพระพุทธเจ้าเพิสอนไว้นะในสติปัฏฐา น, นสูตรมันมีหมวดหนึ่งที่เรียกว่าสัมปชัญญะปรับพักก็คือว่า ถ้มีความรู้สึกตัวนะพระพุทธเจ้าสอนว่าพิสูทธิ์ท่ามลายเธอจะมีสตินะในขณะที่ฟู้แขนเข้าเหยียดแขนออกคุ้แขนเข้าเหยียดแขนออกขณะที่เดินไปข้างหน้าขณะที่ถอยไปข้างหลังขณะที่นุ่มสะบ ong ต้มจีวรขณะที่เหลียวซ้ายขณะที่แลขวาขณะที่กินลื่มขับถ่ายนะก็คือสามารถเป็นดีมบดย่อยสามารถมีสติได้นะ อยูในบางหมวนก็บอกว่ายืนเดินนั่งนอนเรียบบท 4, ตีก็มีสติเรียบบทย่อยก็มีสติได้เหมือนกันนะัคือมัน อ, อยู่ในสติปัฏฐานทั้งนั้นแหละแต่จริงสติปัฏฐานมันก็ไม่ใช่เห็นแค่ฐานกายแต่เราทําฐานกายเป็นเรื่องต้นเฉยๆแต่พอสุกไปด้ก็จะเห็นวิทยานาวิทนาเกิดขึ้นสุขบ้างทุกข์บ้า ง, างเฉยๆบ้างเกิดขึ้นะก็รู้จิต เป็นปกติก็รู้จิตจิตปกติไปก็รู้นะมันมีความคิดเกิดขึ้นหรือไม่มีความคิดนะก็รู้นะนั่นคือการดูจิตนะหรือสภาวะกระบวนการที่มันแดนะการเปลี่ยนแปลงของธรรมะจากการกระทบจากการรู้สึกแล้วก็กลายเป็นความคุมแต่งกลายเป็นความทุกข์อะไรมันก็มีกระบวนการขอามาเนีนะ่ยแล้วก็สามารถเรียนรู้เข้าใจมีได้นะั่นคือ คือการภาวนาของเราเนาะก็ทำปฏิบัติกันต่อีิก่อนเนาะเดี๋ยวถึงเวลาสมควรแล้วค่อยแยากยาย ก, กั น, น <c oughs> อืรู้สึกไหมเวลาถ้านั่งดูสื่อดูอะไรเนี้ย <c oughs> ไม่ค่อยปวดทำไมเท่าไหะะไร่ <c oughs>